เป็ น, นท่านศึกษาผุ้คนทั้งหลายโดยผ่เรื่องสาระจัดใจนี้มีควารตั้งใจจะพูดเน็นสอง่างที่ทงังหนึ่งจะพูดเปรียบเทียบในเรื่องปฏิยานของทุกษะปัญห า, ษ า, าต่างใิกายที่ตรงข้ามกับส่ายบาลีทั้งเราซึ่งเชื่อว่าท่านผู้เป็นนักศึกษาทางพระอธิธรรมหาว่ามาเลยศึกษาเปรียบเทียบในด้านปรมัภิธรรมกับทุกษะปัญห า, าต่างใิกายและกลารเข้าใจในเรื่อง ปฏจกิริยาการของเราก็ดูออกจะอยู่เพียงแค่ยองของคันฉาสายภาษาบาลีเท่านั้นไม่ได้กว้างแสงออกไปถึงสายภาษากฤตกซึ่งเป็นไปแต่แต่ละมีกาแตกต่างกันออกไปประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่างๆด้านธรรมะธรรมในของข้อเรื่องพระปัจจัยก็ยังตั้งาจจะมุ่งพูดไปในเรื่องของอสมมติธรรมซึ่งเป็นเรื่องของลอยิสคือหลักปรัชญา คืองทางโกเขาเชื่อถืกันก็เป็นเครื่องหนึ่งในการพิสูจน์คามจริงที่ในแนวสองแนวนี้ในคําว่าประละปัจจยสําหรับในแนวแรกคำว่าปัจจัยนั้น่ถ้าจะพบในบาลีพุทธภาติตเราจะพบมากต่ อ, อยู่ในหมวดของสังคีตานิกายคําว่าปัดใจจรทรำคือท่านใช้คํำสองคําว่าปัดใจจะทำหนึ่งปัจจะยึดปัญญรทำหนึ่ง ปัจจกธรรมหนึ่งแล้วก็ปัจจัยปัณณธรรมหนึ่งปัจเจกธรรมเป็นเหตุปัจจัยปันณธรรมเป็นผลคือปัจจัยถึงธรรมอันเกิดจากปัจจัยอึ่งปัจจกธรรมเป็นเหตุโดยตรงปัจจัยปันณธรรมน่ะหมายความว่าธรรมที่เกิดจากปัจจัยนั้นๆอสองอันนี้ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะในหมวดพระอริธรรมในบาลีสายพระสูทันก็แสดงไว้ในสันิุตติกายเช่นว่าในทานวะตรพนิษฐบาลีสังยุตติกายก็พูดได้มาก ว่าทําอันใดเป็นปัจเจกธรรมทําอันใดเป็นปัจจัยสันตธรรมอันเกิดจากปัจจัยนั้นๆมีประการหนึ่งที่ประการหนึ่งที่ให้ตัดอีกัดหนึ่งว่าปิิจารสมุปปาเดธรรมปิิจารสมุปปันะธรรมให้ตัดตรงอันนี้ปิิจารสมุปปาธดชะธรรมทำอันอาศัยเหตุปัจจัยปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็ปฏิจารสมุปปัญะธรรมทำที่เกิดจากทำอันอาศัยเหตุปัจจัยเกาะเกี่ยวกันเกิดขึ้น จิตใจสมมติปัญญธรรมนั้นที่แค่ก็คือปัจจุปัจจปจจปปนญธรรมมันเองถาจะว่าไปแล้วก็ได้แต่คือปัจจุปันญธรรมมันเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของปัจจัยาการที่จะพูดไปแล้วก็เกิดจะกล่าวได้ว่าเป็นคุณลักษณะพิเศษในพุทธศาสนาพุทธศาสนามีลักษณะแตกต่างไปจากปรัชยาในศานสนาพราหมณ์ก็ด้วยหลักของปัจจัยปัจจัยการนี่นเองในหลักปัจจัยาการ น, นเองถ้าหากถ้าอย่างนั้นแล้วตามความเข้าใจของเราที่ถือกันว่า ถ้าบรมมาสัปดาปัสรุอริยสัตตรีการปัจจุอริยสัตตรีเนี่ยแตกต่างอะไรกับปฏิจจสมุปบาทหร้อหม่ตอบว่าไม่แตกต่างกันเลยอริยสัตตีนั่นอยู่ในปฏิจจสมุปบาทธรรมแหละแล้วก็อยู่ในปฏิจจสมุปปันธรรมด้วยคือว่าถ้ารับพิจออนารณาโลกโลกโดยสายโลกระสมุทัยบาละคือมีปัญหาเป็นสมุทัยแล้วสิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นก็เกิดเป็นลำดับอันนี้ก็เป็นปฏิจจสมุปบาทธรรม ฝ่ายสายเกิดมาหากาพิจารณาในสานิโรธวาระอันนี้ดับอันนู้นก็ดับเป็นลําดับไปแล้วอันนี้ก็เป็ น, นปฏิจจสมุปบาทธรรมฝ่ายนิโรธวาระคือดับเป็นลําดับไปเพราะเหตุ น, นั้นท่านจีนสงเคราะห์อริยสัจสี่เข้าในปฏิจจสมุปบาทสาาิบสองสงเคราะห์กับใบบาทคือว่าตปฏิจจสมุป บ, บาทตัวสภาวธรรมแต่ละอันแต่ลอันนั้นน่ะชื่อว่าเป็นทุกข์กับดับนะอวิชชาอวิชชาปัญหาอ่าชื่อว่าเป็นสมุภัยกดับ อวิชาแับปัญหานั้นชื่อว่าเป็นสมุทัยปบัติแล้วก็วามดับอาการที่ดับไปซึ้นอวิชาดับสังขารดับสังขารดับอินญาณดับเป็นลาดับอันนี้เป็นมรรคผลสงฆอเป็ น, นโรรัตลแต่มรรคผลล่นะสงฆ์เป็นที่ไหนมรรคตลนั้นเขาอนุโลมเอาโดยปริยายว่าอาการที่เข้าไปปฏิบัติเพื่อทําให้อวิชาดับอันนี้สงเฆ์เข้าเป็นมรรคอารยบัตร ก็ฉะนั้นอริยสัจสี่จึงอยู่ในปฏิสตุปบาทหรือเราจะกล่าวว่าเิจนสตุปบาทนั่นแหละก็มีอยู่ใ น, นอริยสัจสีก็ได้แล้วแต่เราจะพิจารณาโดยสายไหนเพราะเหตนั้นทั้งสวงในโลกขึ้นชื่อว่าเป็นปัจจยธรรมทั้งนั้นเป็นปัจจัยธรรมทั้งมันติดงิทั้งสองในโลกเนี่ยไม่มีสิ่งไหนที่อื่นไปจากปัจจยธรรมเลยยกเว้นแต่ท่านิพานทั้งหมดนี่ มติของพุทธศาสนาข้อนึงเนี่ยก็ไปตรงกับมติของนักวิทยาศาสตร์ในสมัยปัจจุบันเ่งโดยค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพเช่นจาร์ไอสตายเป็นทุกคนพบทฤษฎีสัมพันธภาพว่าทุกสิ่งที่เรียกว่าเป็นความมีอยู่เป็นอยู่จะมีอยู่โดย ล, าลยําพังโดยเดียวเฉพาะเอกเทศในตัวของมันเองไม่ได้ทุกสิ่งที่ปรากฏทางอวิชชาสัมผัสของเราก็ดี ไม่ไปรากฏในทางอายุตระสัมผัสของเราตีขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งเป็นธรรมดาธรรมชาติแล้วสิ่งนั่นทั้งหมดย่อมอาศาัยความเกี่ยวกันเกิดขึ้นไม่สามารถจะแยกประเด็นออกสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่ามันจะอยู่ได้โดยเอกเทศธรรมดาโดยที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นอีกมาปรุงแต่งไม่ได้อันนี้ทฤษฎีคุธภาพรวมของปราร์ตไอสไตายซึ่งเป็นจอมปราศที่คิดสู่ตรมานุได้คนแรกของเอง่เด็กเป็นผู้เปิดเผย แล้วก็จากสุดอันนี้เองอ่ะที่ทําให้เกิดการผิตปรมาณูบอมการไฮโดรเจนบอมขึ้นมาได้เพราะเห็นว่ า, าเมื่อก่อนนี้วิทยาศาสตร์เชื่อว่าถ้าหาก ส, สาร น, นั้นเป็นอันติมหัสุดท้ายไม่สา ม, มารถจะสลาย ส, สารแต่ต่อไปอีกแล้แต่ว่ามาในยุค ข, ของอไอซายทฤษฎีที่ว่า ส, สารที่อนุมหก็เป็นอนุภาคทับสารแตกก็เห็นว่าเมื่อแค่นั้น ส, สารก็ยังสลายตัวมันได้ที่เราเชื่อกันว่ารัาศดาสารวิทยดอุณหภูมเชื่อกันว่ามีค่าแท่ อันเป็นสิบอันเป็นมไม่สามารถจะลลาย ห, หรแยกธาตุต่อไปอีกแล้วกล่าวว่านี่เป็นธาตุแท้ตามความรู้สึกของนักวิทยาศาสตร์สมัยโบราณที่ดีอันนี้กับใครไม่ได้เพราะหากว่าธาตุแทะไม่สามารถจะแยกหรสอละลายตัวได้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะทําประมานูและหรือไฮโดรเจนบอมขึ้นมาได้นั่นก็คือกระสานนั้นเป็ของไม่มีจริงกันแล้วเพราะสามารถอามาสลายเป็นพลังงานได้แล้วในตัวพลังงานเองก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าตัวพลังงานจะมีสภาวะเป็นอยู่ด้วยตัวมันเอง พลังงานก็มาจากในสิ่งทึ่นักวิทยาศาสตร์เองก็ยังอับจนยังคงคว้าไปไม่ถึงก็เลยจ้องตอบอย่างจาปั้นทุกินว่าโนแวร์ไม่รู้มาจากไห น, นไอ้พลังงานนี่ไม่รู้มาจากไหนจนไม่กล่าพูดกันต่อว่าโนแวรนักวิทยาศาสาศตร์ตอบอย่างนั้นถ้าเราไปเช่นคอถามนักวิทย า, าศาสตร์ว่าไอ้พลังงานนี่มาจากไหนกันมันมีอะไรเปลี่ยนมาหรือพลังงานเนี่ยนักวิทยาศาสาศตร์บอโนแวรนั่นก็คือว่าอแสงสว่างของโลกวิทยาศาสตร์ยังไม่ถึงขั้นทุ่จบ ยังมีการค้นพบกันใหนหมเ่ยเรื่องตรงข้ามกับในทางพุทธมติของเราที่พระสัมมาพระพุทธเจ้าได้ค้นพบจุดจบของความจริงอันเป็นอันตรีมาก แ, แล้วแล้วก็ตรัสว่าบรรดาสังขารธรรมทั้งปวงที่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในโลกนี้ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยที่จะมีสภาวะโดยตัวมันเองเพื่อตัวมันเองอยู่ได้ดโดยโดดเดี่ยวแต่เพราะว่าย่ออาศัยความสัมพันธ์ซึ่งพระองค์นี้ว่าปัจจัยรวมกันขึ้นเกาะเขียวกันขึ้นรูป ก, กันขึ้นจึงใดผลิกออกมา เป็นสภาวะหรือเป็นอารมณ์ที่อายตนะของเราจะพึงถึงเอาไดอันนี้จป็การลบล้างพิฐิของฝ่ายอาาศาสนาอื่นที่ถึงที่ถือว่ามีภาวะเที่ยงยินเลยเป็นผู้ครองขันเป็นผู้ละขันผู้ควกฝ่ายสัภภยตตปาพิถิกภภ็เมื่อละสัตตะาพิถิได้แล้วเอกเทศจะพิถิก็เป็นอันละด้วยในข้อนี้เมื่อเหตุนั้นพระอ น, นุนได้กล่าวกับพราม คนหนึ่งให้สเสนอก็เรียกว่ า, าพระครุหัดถ้าคารุหัดทุกเราเนี่ยที่เราถือเป็นลูประเคราะหนี่แหละในวรรณคดีของาศาสนาพราหมณ์่าวบอกว่าถ้าครุหัดนั้นความจริงเป็นมหาฤาษีใหญ่นะเป็นเทพฤาษีถ้าจะสงเคาะใ์เลนโลตมราโอราศาสตร์ก็ถือว่าดาวคารหัดนั้นน่ะเป็นสุขเคราะห์ใหญ่ ถ้าใครมีดาวประหัสกลุมลัคนาเป็นสีก็ตามเป็นเดช ก, ก็ตามเป็นมนตรีก็ตามก็ถือว่าดุงนั่นเป็นดวงแข็งประตูทำร้ายไม่ได้ถึงเข้าที่อับจนก็ให้รอดพ้นไปได้ที่พึงพิเศษมีฐานะาหานัดนดรสูงนี่ถือกันอย่างนั้นแม้จะมีข้อะหร้ายหรือมีดาวป่าประครอกอื่นร้ายกับปานไหนเช่นเราหูเป็นตลกีนีเลงก็ตามอ่าเสาวเป็นอายุมาเป็นกาลีมาทับมาต้องก็ตามอย่างนี้หากปรหัตยังดี ท่านว่ายัางคุมได้แต่ถ้าผลัดเสียแล้วหมอก็สันทิษฐ์กูมไม่ได้อาจจะเป็นตายก็ได้อย่างนี้แต่ทาไมอย่างนั้นแล้วดาวคดิษฐ์ซึ่งในวรรณคดีของฝ่ายชรามอันถือว่าเป็นเทพคดิษีที่มากลายเป็นเจ้าตาราโลเกาต้าฝ่ายวัตถุนิยมหรือฝ่ายอุเฉิดตะพิเราไม่พื่ให้ตุงต้นเมื่อุเฉทดตะพิจิตเราท่านก็กล่าวว่าพวกชรามในพวกบรรดอื่นๆจะขึ้นสวรรค์แย่งที่อยู่ของชามหมดบงสวรรค์น่ะเขาปิดการที่จาว่าทั้งหมะ พวกวันนากรับวันนาขามกับวรรณะแพทยสามวรนนาตายว่าไปอยู่ถ้าเจริญถูกสูดพวกจันทันเป็นเพินสบายเท่าแล้วก็ตายแล้วไปอยู่บนสวรรค์กันหมดทามก็เกรงจะไม่มีที่อยู่เพียงพอดวงใจเกิดพลเมืองลุนบนบนสวรรค์รับดวงจะหลีดสินไอของพูกสู่พูกจันทันไม่ได้เพราะอยู่ในโลกมนุษย์นี่ก็หมินเบื่อพวกนี้เหลือเกินยังจะหลบไปอยู่สวรรค์นี่จะเจอหน้าพวกนี้อีกเพราะเหตุนั้นบรรดาทามทั้งปวง ก็ทําวิธีอัญเชิญพระพหัธบาทว่ายังไงยังไงก็เชิญพระพุทธบาทเนี่ยมาสอนพี่ล่อให้อีโขกสูตรจันทานมันลหลงไหลในโลกอย่าถึงสอนให้ปฏิเสธบุญบาปสอนให้ปฏิเสธกรรมปฏิเสธกิริยาปฏิเสธวิบาสนะสำหรับให้ไอีโขกสูตรจันทานมันหลงเชื่อเมื่อหลงเชื่อไปแล้วไม่ได้ไมไปทําบุญทำทานฝร้กกางกุศรกรรมต่อไปบนสวรรค์ก็จะไม่ว่างจากคนเต๋มนุษย์พวกนี้ไปเสียนี่เป็นนโยบายของความทั้งหลาย ก็าคิดข้นถ้ารบริหารตัว่านอะไรเลยลราัฐรัฐนาทีเดียวอ่ะแต่งตัณวคำพีโรตายะตาขึ้นทีเดียวเนี่ีททว่าไปดึลงลูกพปนล้วนเลยคือสอนบอกว่าเรามีชีวิตก็เพื่อวันนี้อยา่าไปคานึงเรองอนาคตหรืออดีตเลยนะวันนี้อ่ะมิงเมาถ้าใครชอกเราก็ดื่มกันให้ยำเตไปเลยนะใครชอบการก็เตะกันให้ยำเปไปเลยทีเดียว อย่าไปคำนึงเรงบุญบาปได้จะต้องทําไว้เผื่อชาติหน้าชาตินี้อย่าให้คิดแต่เรื่องปัจจุบันอปัจจุบันเฉพาะหน้าเป็นสุข ก, ก็พอแล้วใครคิดขายใครเดือดร้อนทางแม่แม่มันว่ายอย่างนั้นนี่พระพระมหาเทพฤาษีนะเขาแครแต่งตานาโลกยตาเนี่ยลัทธินี้แหละครับที่เป็นลัทธิที่สอในให้คนเกิดเป็นวิชาที่ผิดขึ้นปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปปฏิเสธกิริยาท่านผู้เป็เจ้าจึงย่ำในกตฐาคตนั้นเป็นกรรมวาทะกิริาวาทะอ่าวิริยะวาทะ แล้วก็ตกรัสบอกว่าในบรรดาวาทะทั้งตัวของครูทั้งหนั้ น, นมัคริโคตาละเป็นเลวกว่าเพื่อนมคคิโคตาลาว่าเนเป็นเลวกว่าเพื่อนดูก่อนที่บุตรทั้งหลายอุปมาเหมือนหมูชาวประมงที่เอาไซเอาไอขึ้งดักปลาไปจับไปวางไว้ในน้ําในสมุทรในแ ม, ม่ น, าน้าเพื่อหวังจวามชิ้นหายแต่หมูปลาใหญ่น้อยขนาดใดมัคคิโคตาละถูกเป็นโมคาบุรุษสรทัทธิปฏิเสธกิริยาปฏิเสกดิริยาปฏิเสกกรรมก็มีอุปมาเหมือนฉันนั้น คือนําความที่หน้าความที่ภายมาสู่ประชุมชนเป็นหมู่ใหญ่นี่แบบอย่างนั้นเพราะว่าสองนักที่ทานองเป็นโลกายตะปฏิเสธกิริยาปฏิเสธวิริยะบอกไม่ต้องไปเทียนทำความดีหรอกถึงที่ดีก็ดีเอ ง, งนี้เป็นต้นนี่เป็นอันว่าปฏิเสธหมดเพราะเหตุนั้นที่กล่าวว่าปลักปัจยธรรมในพุทธศาสนาผู้ที่เห็นปัตยธรรมในสายเกิดว่าอาวิชชาเกิดตั้งขานเกิดแล้วความเข้าใจผิดในเรื่องเกี่ยวกับกุเชตติถิก็หมดไป หมดไปเข้ามาเห็นความเป็นไปของปัจจัยอันเกี่ยวเนื่องกันเกิดขึ้นมันจะเห็นเฉพาะเรื่องสภาวะเฉพาะหนะ้าอีกประการหนึ่งที่กล่าวว่าสา ม, มารถตัดทตตะทิฐิได้ก็เพาะว่าพวกติดถือสตตาทิฐินะ่ะไปยึดมั่นเอาจิตเป็นตนบ้างหนะรือมาน่นกับจิตเป็นตนละครับึ่งแม้ว่าฝ่ายในปรัชญาของพรามจะพยายามกล่าวว่าอัตมันไม่ใช่จิตอัตมันนะ่ะเป็ เพื่อค<ส>ืนจิตอหนึ่งแต่ถึงอย่างนั้นอาตมาก็ไม่ทนจิตคืออย่างไรคือจิตจะเป็นปอาการที่อาตมานัน อ, อกไปรู้ออกไปรู้ทางนะเอาไปรู้ทางอตนะเพราะฉะนั้น<ไ><ๆ>ถ้าเราจะพูดบอกว่าแสงไฟกับดวงไฟจะแยกออกจากกันได้หรือไม่ท่านเจ้าเองเคยปฏิเสธมาแล้วปฏิเสธปรัชยาของอรารคธดาบทอารัดาบทเองท่านตอเกิดเื่องอารัธดาบท เข า, าอาราธาบทถือว่ามีเขตตันยูเขตตันยูนี่คือผู้รู้เขตคืออาตมานี่ก็หลายอย่างอาัตมาบ้างเขตตันยูบ้างเขตตันยูนี่ทินเป็นผู้รู้เขตหลุดพ้นจากกิเลสแล้วแต่ว่าผู้รู้นี้นยังมีความรู้อยู่ธรรมปิจารณ์เป็นจักราจักรถาจรถถาิจรถถาขานตกว่าถ้าหาว่าผู้รู้ยังมีเหลืออยู่ในมิพานตามความหมายของท่านอาราธาบทสอนไว้ ก็ม้วนดวงไฟยังมีอยู่แต่เมื่อดวงไฟมีอยู่แล้วแสงสว่างและความร้อนอันเป็นคุณสมบัติของไฟก็ต้องพรอมมีอยู่ด้วยนั่นก็คือเมื่อใดยังมีผู้รู้อยู่เมื่อนั้นก็ยังมีสิ่งที่ถูกรู้ในการใดที่ยังผู้รู้ยังถูกสิ่งที่ถูกรู้จำกัดในการนั้นแสดงว่าผู้รู้ไม่ชัไม่มีอิสระเพราะว่ายังอยู่ตกอยู่ภายใต้ของเทษะกับกาลอันใดที่ตกอยู่ภายใต้ของเทสะกับกาล อันนั้นก็ยังชื่อว่าตกอยู่ในขายแห่งความเป็นอเ น, นจังทบกขังยังใช่ไม่ไดยังไม่ใช่ที่สุดทุกทุกแค่อันนี้หละครับเป็นอันว่าดับสุสตากิจิเพราะเหตุที่มาดูปฏิจจสมบทบาทรู้ว่าทําอันนี้เกิดทำอันนั้นกิงเกิดนั่นก็คือแสดงว่าแม้แต่เทตันยูหรือผู้รู้ด้วย อ, อ่านตมันที่เราถือกันว่ามีอยู่ตามในยะของพระคุยาพรานนะก็ไม่ใช่เป็นความมีอยู่อย่างคณิคิว่าโดดเดี่ยวไม่ต้องอิงอาศัยสัตย์ใจ แต่ว่าปัจจัยบรรดาที่ปุงแต่นั้นละเอียดลึกซึ้งจนกระทั่งยานพลของบรรดาฤาษีในศาสนา น, นั้นะตามไปไม่ถึงตามไม่มถึงก็เลยเข้าใจหลงผิดเอาภาวะความสงบความสงดในภาวะอันนั้นเข้าใจว่าเป็นจุดสุดท้ายอันนี้ไม่แปลกเพราะว่าท่านพิจารณาดูแล้วบรรดาพวกที่เป็นสรรพาทิฏฐินั้นมีแก่อ่อนหลายท่านด้วยกัน บางพวกกับัญญัติอาปัตมประชานเตณิพานบางพวกกับัญญัติอรุปประชาะนเิพเานอรุปประชาะนเิพานแล้วแต่ว่าใครทําได้มากน้อยแค่ไหนคือส่วนมากจะติดในความสงบในขณะที่จิดว่างจากมีวรแล้วลออก็เลยอาการที่รู้ว่าเรามาถุงภาวะความสงบนี้แล้วไม่ถูกมีวนมาครอนําแล้วสําคัญผิดนี้ว่าจุดนี้เป็นที่สุดของทุกนี่สําคัญอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นเมื่อนายในในปฎิปารสูตรในจิตต์ปัญช้างฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรม ปฏิเสธเป็นอัตรา3ามคืออัตราที่เกิดจากกา ย, ยาอันสําเร็จด้วยพักษาเป็นคาํคาำนะคือกบาลิงกราหานได้แต่อัตราที่มีมาหาพุทธรูปสีเป็นปัจจัยขึอนปรากบให้เห็นชัดมีพวดหนึ่งอัตราที่เกิดจากอ่าสัญญาทิพยปวดหนึ่งอัตราที่เกิดจากสัญญาอีกปวดหนึ่งสามปว ก, ปกทั้งหมดจกปฏิเสธหมดปฏิเสธไในจิตตาเขาสงสัยว่าเองพาหาว่าปฏิเสธหมดแล้วแล้วก็ใครละจะเป็นผู้ละอัตราต่อที่โซนตอนใ่ยละอัตราละอัตราใครละเป็นผู้ละ นี่ยังคือว่าทรงปฏิเสธความปล้าความรู้สึกอุปาทานในอัตตาสามชั้นนี่หมดแล้วถึงกระนั้นคุณฟังก็ยังเกิดความกังขาบอกว่ า, วาต้องฆ่าเช่นนั้นล่ะใครล่ะที่จะเป็นผู้่าอัตตาสามตัวนี้ออกไปก็ต้องมีอะไรตัวหนึ่งเป็นผู้ลาสิอันนี้เกิดจากสัญชาติญาณที่เราเกิดจากไม่ว่าสัญชาติญาณแห่งความยิบในตัวตนอันนี้อยู่ในอาสวะขันธ์สันดานของหมู่จักรตั้งแต่อนาตตะโคเบื้งองต้นไม่ปรากฏ ทุ่มแค่อยู่ในสังดานมา้านมนานกาเลยนับไม่ถ้วนุริชาตแล้วอันนี้มา้านมนานกาเลรอุปมาถ้าจะเหมือนหนึ่งก็สีดําคุณย้อมกับผ้าขาวจนแมกสนิทเป็นเนื้อ เ, เดียวกันยากที่จะมาต้มมาเชี่ยวแยกย้อมเป็นสีอื่นได้ยากแต่ละถ้าลงย้อมเป็นสีดําถ้าย้อมเป็นสีอื่นได้บ้างแต่ยังพอมีหวังนี่ย้อมเป็นสีดําแล้วจะย้อมเป็นแดงก็ยิ่งดาใหญ่ยอมเป็นนําเงินก็สิ่งดำเข้าไปอีกหลายเข้าตัวทีเดียวยาก เพราะเหตุนั้นนายขุนตาก็ยังคิดแว่งกันอัหนึ่งบอกว่าก็เมื่อทรงสอนให้ละอัตตาสมคืออัตตาที่เป็นชนิตายหยาพวกหนึ่งอัตตาที่ชนิดที่เป็นตายพิษพวกหนึ่งนะอัตตาชนิดที่เป็นสมเด็จจากสัญญาพวกหนึ่งสาโพวกนี้กันท่านแก้บอกว่าอัตตาที่เป็นตายหยาก็ได้กต่กายมนุษย์นี่แหละหยาหยาพวกนี้กายเทวดานี่แหละนะอัตตาที่เกิดจากพวกตายพิษก็ได้แต่พวกอุปสมอัตตาที่เกิดจากสัญญาก็ได้แต่อรูปสมนี่ว่าอย่างนั้นอัตตามันจะผลาแกะอ่า เมื่อเระองค์สอนเร่อละอัตตาทั้งสามูนี้แล้วอะไรล่ะเป็นผู้ละยังติดเจ้าจะต้องมีตูวุู้ละอีกตัวนึ่งยังมีตัวผู้าะอีกตันึ่ไอ้ตัวผู้ละตัวนี้แหละสำคัญนะเดี๋ยวแม้แต่นักกราบในพุทธศาสนาเราก็ยังเข้าใจผิดคือว่าอะไรอะไรก็ละหมดแล้วแต่จะขอให้ไอ้ตัวผู้ละนี่มีอยู่เอาตวะเนี่ยจะเรียกอะไรก็ตามแม่จะเรียกอัตตก็ได้แต่ว่าเรียกตามสมมติโลก แต่ขอให้อาตุลุนนี่มีอยู่เถอะถ้าไม่มีเยู ล, ลมมยเราจะมาโมยเจริญนักแต่เอาแก้เอาอีมานทำไมไปสู่ไอ้ควาดับสนิทว่างๆส่งๆงง ๆ, ๆนั่นก็คือความเคยชินอันเป็นสัญชาติญาณความรักตัวนี่แหละคุณง่ายความรักตัวรักตัวมีหลายท่านนะรักตัวรักท่านสุดท้า ค, คือรักตัวแบบนี้ยังต้องการว่าเมื่อหลุดไปมีพานแล้วก็ต้องมีตัวเข้าไปสวยสุดไปมีพานถ้าหาว่ากสาวว่านี่พานเองตัวคูว่คู่ ไม่อยากปาิพันธ์แล้วเอ้ไอความรักตัวมั น, ม, ม, น, น, น, นมีเอปิพมมันธ์และตัวทุ้ตัวทุกตัวก็มีมีโดยจะเอาไปทําไมเงี้งานก่อแมวหิ่ไปหาปราหมดวิ่งไปหาพระมาติดในพุทธศาสนาเรามีบางนิกายที่ถือขัดติอย่างนี้เท่นแท่นนิกายแท่นเป็นต้นนิกายเท่นนิกายแท่นแหละที่ฝรั่งตืนต่นก็นั่นแหละมีสอนแบบนี้คือว่าล่าหมดอะไรอื่นก็นล่าหมดแต่ว่าพอถึงขั้นสุดท้ายอันนี้ปฏิเสธปิพานธ์าดยังมีตัวผู้พ้นอยู่ ถ้ามันมีตัวผู้คน้จะมัวเจรินักแบกเอาแกเอาอีมาไปทไมนี่ตั้เดนอย่างนี้่คล้ายๆในจิตตะตั้งปัญหาถามพระุองค์ว่าเมืออ Evil, ่อพระองค์ตอนให้ละอัตาสามแล้วแล้วก็อ่าใครละในภูร่าใครละในภูร่าอัตตาามพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้จิตตะเไม่มีาาการจรทาคดกล่าวเลยนี่แหละอัาที่ตัวท่านกำลังยึดดิละมันละไอตัวที่แกกำลังยึดตัวนี้เป็นตนีแหละมันละละขท่า น, ท, านท่านไปจนท่านสุด้าแล้วไม่มีอะไรจะเป็นภู่หรือไม่ละในนี้ ไม่มี้ม่ใช่ไม่ายเพราะนั้นจนทั้นสุดท้ายแล้วถ the so so so <that> ้ายังติดจะว่ามีอะไรเรียนผู้ละก็ยังมันใชเป็นความหลุดคนแทนยังยังไม่พ่ายถ้ายังคิดว่าคนละังมีตูวผู้คนอยู่อันนั้นตรงกับปัจจัของสามปะจจัยเวทิตาปัจจัยของสามทั้งหมดนี่เน่ยมีตัวผู้ค้นนั้นนะเพราะฉะนั้นพุทธะมติกับพานมติกหนาเรียงกันถ้าจะว่าเส้นขนตาเส้นเดียวอะเรียงกันต้องคนดเลว่าภาวนามา ตีตีตีคุมผู้ก่อศาสนาพวกรานนะความใหม่ใปัจจุบันนี้พวกนักศาสนาบอกว่าพระครูดมไม่ใช่อะไรหรอกที่แค้ก็คือเอาพระเวทมาอธิบายหม่อยนั่นแหละอย่างประธานาธิบดีราพสิสนันของอินเดียแกตาสกัตถาบอกว่าอ่าเขาพูดเเจ้าเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธทเวทหรอกไม่ได้ปฏิเสธสรุปติสรุติคือพระเวทไม่ได้ปฏิเสธสรุติหรอกแต่พระองค์พันนะ เกิดอย่างชาวฮินดูมีจริยธรรมอย่างชาวฮินดูแล้วะปรับประกาศทำแบบฮินดูนะใครเข้าใจว่าหลักนณกตาของพระพุทธเจ้าเป็นอาิชมานะปัญญัติแล้วก็เป็นความเข้าใจผิดแท้จริงหลักนักตาของพระพุทธเจ้านั้นะเป็นวิชมานะัญญะทรงปฏิเสธเพื่อไปสู่อัตตาที่แท้จริงปฏิเศธละอันห้าหมดแต่ละแล้วก็มีอัตตาที่แทจริงเหลืออยู่นในลาท่ากิจนั้นเขาว่าอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ พูดกับพรามก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันวิธีการพูดอย่างนี้นะเป็นวิธีการกลืนพุทธศาสนาของพราหมณ์คือกลืนบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตะโกอะไรใหม่ความติอารมณ์พระเวทเนี่ยมาพูดใหม่กันเองมาตั้งหลักอธิบายใหม่แล้วความคิดความอ่านต็หนี้หนีทนครอขอ ง, อ ง, ของพระเวทว่าอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วถ้าเราศึกษาพุทธมติโดยที่อย่างของแค่โดยที่ไม่หลงผิดนะจะเห็นได้ว่าพูดกับพรามเลี่ยงกันตรงนี้ ท่้นสุดยอดนิพานเขาพุทธกันิพานเขาพามันปามกันเลยนิพานเขาพามันมีคู่ค้นมีไอตัวพ้นเข้าไปในนิพานพ้นแล้วไอตัวผู้พนนี่คือไว้ความสุขในนิพานอยู่เป็นนิรันดนส่วนนิพานเขาพุทธนั่นน่ะถ้าแกยังมีตัวผู้พนอยู่ดับตังยังไม่ในิพานต้องดับไตัวผู้อยากคนตัวนี้ไปด้วยเนไอตัวผู้นนี่ต้องดับไปด้วยเมื่อนั้นจึงเป็นนิพานแท้ปางกันแค่นี้นิพานเขาพามันิพานพุทธนิพานปามามกันยังไงากันตรงนี้แหละ อันนี้ที่เขาจะสามารถเห็นในตัวผู้คนนี้คอยดับไปด้วยก็ต้องอาศัยหลักปัจจัยาการหลักปฏิจจสมุปบาทกันอันนี้ถ้าไม่อาศัยหลักปฏิจจสมุปบาทธรทํารือปัจจยาการแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะดับสัพพิติได้วันที่เธอที่ว่ามีผู้คนนั้นเป็นสัพพิติเพราะเหตุนั้นท่านจึงไม่ห้ามบอกว่าผู้ที่เป็นสัพพิตินั้นไม่ห้ามสวรรค์ห้ามแต่มรรคผลมีภานผู้ที่ถือสัพพิตินะเพราะผู้ที่ถือสัพพิตินั้นได้ทานสูงๆมาเยอะแยะ ไม่ได้ห้ามสวรรค์ห้ามเพมาโลกเลยแต่ห้ามมรรคผลมิทานส่วนผู้ืออุเทนติถนั้นห้ามทั้งสวรรค์ห้ามทั้งมรรคมีทางทางที่จะไปทางเดียวคืออบายกันนั่นเองเพราะเหตุนั้น ท, ท่านจึงกล่าว บ, บอกว่าอ่ายินดีที่จะให้บุคคลเจอพระปาิถได้ังอันครัง้งหมื่ครั้งดีกว่าที่จะไ่เกิดอุเทนตพิถีน่ชั่วนขนาจิตเดียวเพราะเหตุว่าอุเทนตพิถียังชั่วนขนาดจิตเียวเนี่ย สามารถนำบุคคลไปสู่โลกันได้โดยศาสนาพิถเกิดตั้งพันข้างหนึ่ข้างนั้นนะ่ะไม่พาบุคคลไปโลกันหรอกมีแต่จะพาไปสวรรค์กับมโนโลกเพราะเกิดถือว่าตัวตนเที่ยงมีตัวตนอยู่แล้วก็รักตัวตัวตัวจะลาบากต้องทาความดีเพื่อตัวจะได้ไปอยู่สมาในภาตุบต่ อ, ตอไปเพราะฉะนั้นพวกศาสนาพิถีนะ่ะโดยมากเป็นพวกถือก ร, รมวาระอย่างพวกฤาษีอนอกศาสนานเนี่ยเป็นพวกู้ถือกรรมวาระอย่งนั้นนะถือกรรมวาระท่าน ถือวิริยะว่าทะรือว่าวิิยะมีกรรมมีบิบานี้พวกเนี้ยถือพวกนี้เท่านั้นแหละผิดกับพวกถือเข็มถ้าผิดเมื่อเป็นเช่นนี้หลักของปัจจัยการในพุทธศาสนาเราก็อได้วัฒนาการจากหลักปัจจัยสมุตตบาทมาเป็นหลักปัจจัยยี่สิบสี่ในอาิธรรมหลักปัจจัยยี่สีในอาิธรรมน่ะเป็นเรื่องค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่พวกผ้าเป็นขึน้นโดยทันทีค่อยเป็นค่อ ย, อยไปอ่า นิกายในพุทธศาสนาอื่นไปตั้งสักติคือนิกายสักพัทธิกวัติในบาลีกถาวัตถุเด็กล่าวชื่อของนิกายนี้ว่าสักพทิกวัตสันสติเรียกว่าสารวาสติวานนิกายนี้ถือว่าการอธิราอธิบายปัจจัยนั่นแหะไม่ต้องถึงที่สีปัจจัยอย่างในบาลีหรอกมาไปฟุ้งไปว่าอย่างนั้นมีเพียงสีก็พอแล้วสีปัจจัยก็ครอบยี่สิบปัจจัยหมดคือเหตุสูปัจจัยหนึ่ง อารมณะปัจใจหนึ่งอธิปติปัจใจหนึ่งอนันตระปัจใจหนึ่งปัจใจสี่ประการนี้เป็นแม่ปัจจัย24พอไอ้ไอ้เห็นกายไปย่อหน้าปัดออกได้ถ้าเราเข้าใจปัจใจสี่ประการนี้แล้วก็เป็นอันว่ารวบความรู้ในปัจัยทั้งหมดเพราข้อเข้อนี้ว่าสี่ปัดใจนี้ก็พอเหตุปัจจัยอารมณะปัจจัยอธิปติปัจจัยกับอนันตระปัจใจสี่อย่างอันนี้ความที่ถ้าเรามาเปรียบเทียบความของใจ สารวัตราาสิวาที่ถือว่าปัจจัยสี่จะปัใจจัยในฝ่ายบาหลีแล้วเราจะเห็นว่าอาจารย์ฝ่ายสารวัตราวาิวา่าเนี่ยพูดกับขอบพนเข้าทีอยู่เหมือนกันอย่างในบาหลีของเราเนี่ยปัจจัยบางอันะก็มีลักษณะสภาวธรรมคล้ายคลึงกันเลยเกิดคล้ายคลึงกันขนาดอย่าอนันตระปัจจัยกับสมานันตระปัจจัยอย่นี้เป็นตนคล้ายคลึงกันมากมายเลยเกิด น, นี่แต่การคำอธิบายที่ว่าเลี่ยงกันนิดหน่อยนั่นเอง แต่ความจริงก็วิธีสงเคราะห์อาจจะสงเคราะห์เข้ารวมได้ในอนานนปัจจัยอาจจะสงเคราะห์รวมในอนาจกปัจจัยก็พอแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์ฝายิการสวางศีวาจึงต้องการที่จะย่นย่อหลักปัจจัยสีประการเนี่ยเหลือเพียงสี่เหลือเพียงสี่วิธีย่นย่อให้เหลือเพียงสีัเองอ่านม่อภิธรรมตวีพาีดีกาท่านสุมาคราจาร์ท่านก็ย่อปัจจัยเหมือนกันท่านกล่าวว่าปัจจัยทีสี่ความจริงย่อลงเหลือสี่ทนว่างั้นแต่ว่าวิธีจากระบบสี่ท่านอะ มันไม่คล้องกับนิกายสระวาสีวะนะครับมันไม่ได้ไม่ได้คล้องกันเลยจากมูงนี่เหมือนกันอันนี้แปลว่าเลขสี่ตัวนี้บรรดาเกจิ อ, อาจารย์ในการแต่งเดีย๋ยวสมัยแต่งดีกาเนี่ยก็มีความเห็นค้องกันโอนไปตามมติของนิกายสระวาสีวะว่าปัจจัยสนะ่ะมากไปเสือไปแล้วยากต่อการศึกษายอดอยากต่อการจดจําควรที่จะแยกลงเพียงสี่อย่างมาติในนิกายสระวาสีวะเขาย่อมาแล้ว อาคราวนี้การที่การถือในปัจจัยนอกจากอธิบายในแง่ของคําว่าปฏิจจสมุปบาทนะฮะแล้วก็ปฏิปัจจปฏิจสมุปป <inizi> ัญธมวิชาเป็นปฏิจจสมุปปาธรรมสังขารเป็นปฏิจจสมุปปัญธมไในขณะเดียวกันสังขารก็เป็นปฏิจจสมุปปาธรรมวิญญาณก็เป็นปฏิจจสมุปปัญธมคือว่าทั้งปัจจัยสิองนี่นะฮะอันในตัวมันเองอะเป็นทั้ง ปัจจัยธรรมด้วยเป็นทั้งปัจยุปปัจจุบันด้วยแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อไปเป็นระดับข้อไปแล้วแต่แล้วแต่เราจะแยกเป็นอดีตปัจจุบันอวิชาหาเป็นอดีตก็คือว่าเป็นเหตุปัญหาเป็นผลเกิดจากวิชาปัญหาเป็นอดีตเป็นเหตุวิญญาตปัจจุบันเป็นผลวิญญาตในอดีตก็เป็นเหตุนามรูปปัจจุบันเป็นผลบอกคลว่าปฏิการสมุปปัจจุบันหรือปัจจยุปปัจจุบันนั้นท่านเล็งเอาปัจจุบันไม่เอาสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบัน ตัวที่เป็นปฏิจสมุติป า, าธรทำท่านเล็งเอาอดีตขณะที่เป็นอดีตเล็งเอาอย่างนี้เล็งเอามีวิธีการเล็งการจั ด, จด ท, าจาท่านจัดกันอย่างนี้มนเป็นมัตริของเตัวทีอาจารย์ในสมัยแตนลีกาท่านอธิ บ, บายกันอย่างนั้นอมาปรดพันธ์ใจอีกอย่างหนึ่งตามามตัตริกในโลกกสสมตุติก็คือเรื่องของความเชื่อถือความเชื่อถือในสิ่งภายนอกในในบุคคลภายนอกไม่ใช่เป็นความ เชื่ออันเกิดจากนิทาสุญญาณทัศนะของตัเองนี่อีกอย่างหนึ่งที่ว่าปเป็นฟ้าปัจจัรยเป็นฟ้าปัดใจเรื่องนี้เป็นบอกเกิดของเรื่องตัดวิทยาตัดกัวิทยาน่เป็นศาสตร์นี่วิทยาการต่างๆทั่วโลกยอมรับว่าเป็นศาสตร์ที่ว่าเหตุการค้นคว้าหาเหตุผลแต่เพราะว่าตาสอังเก่าัึงการค้นคว้าหาเหตุผลนี่น่ะในหลักของพุทธศาสนาเบื้องสูงเราพิเศษ เบื้องสูงนะผู้ถึงเบื้องสูงปฏิเสธแต่ในแง่ของการศึกษาเรารับรองสําหรับการศึกษานี้รับรองเราต้องหาเหตุผลแต่ในแง่ของการปฏิบัติทำขั้นสูงเราปฏิเสธการหาเหตุผลแบบนี้เพราะการหาเหตุผลแบบนี้เกิดจากจินตายานจิตวิทยานคือว่ายาณภัาจะนาที่เกิดจากการใช้หลักปรรกะวิทยาในการมียามหรือการอธิบายหาเหตุผลในหลักวิชาแ ต, แต่ละข้อแต่ละข้อนั้นไม่ใช่เกิดจากภาวนาของตนเองเกิดจากการอบรมตายวาจาแจขอตัวเองก็หาไม่ แต่เกจะกอาศัยการเดาการคาดะเนอเพราะฉะนั้นในการนมาสู่พฤติการเป็นปฏิเสธว่ามาตะเคหตุกเท่ากับปฏิเสธหลักรอยดิตรักวิทยาว่าถ้าหาว่าต้องดังยานทศนาติแท้จริงแล้วเป็นแท้หลักรอยิษอย่างเลี้ยงไม่พอหลักลอยดิษอย่างเลียงผู้คนมีเกลื่อยทวมหัวท่วมตัวก็ทําได้นักรัทยาต่างๆในในโลกเช่นว่านักวิชาฝ่ายตะวันตกน่ยอาจจะฝายขยายหลักการทางด้านทฤษฎีของการทนทุกข์ได้อย่างปราดเปรื่ แ ต, ตัวเองนะมันเคยลิ้นลดความพ้นทุกอันนั้นเลยคือได้จะเป็นนักพูดในแง่ทฤษฎีแต่ขาดหลักการปฏิบัติอันนี้แหละถ้าคุณเเจ้าจริงย้ําในด้านของการปฏิบัติทำขัน้นสูงว่าจะต้องพยายามทิ้งไปในการหลกักอาศัยหลักรอยิกในการมียามพ่านมีพานก็ดีอาศัยหลักรอยิกในการนิยามหลักของมัดแบก็ดีต้องทิ้งไปตราบและมีรายงานอาศัยหลกยักลอจิกเพื่อจะมียามตีขอ้อความหมายข้อที่จริงในหนึ่งมีพานว่ามีพานคุณยัเป็นอะไรอยู่ตราบนั้นก็ยังอยู่ข่างจากมีพาน เพาว่าเป็นเพียงแต่รูปหลักวิชาที่เอามาถกเทนั้นเองไม่ใช่เวญยาธาภูตยานักโฆษณ า, าในเรื่องนี้น่ะมีลิธานพาดาท่านสาธกว่าครั้งหนึ่งมีนายกองเพียนอยู่สองกองถ้าโพธิสัตเป็นสัตว์วานเป็นผู้นำกองเรียนกองหนึ่งพระเทวทัตเป็นผู้นำกองเพียนอยีกกองหนึ่งพระเทวทัตไปฆ่าก่อนนะนำกองเพียนสองกองไปค้าขายในสั่งเมืองต้องข้ามทะเลตายไปผ่านป่าสองไป ในป่าสูงที่จะผ่านไปเนี่ยมีพวกยักษ์มียิงคนพวกที่ทอดกำลังให้เห็นเป็นอะไรต่างๆเพื่อจะหลอกให้คนเดินทางหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมันโดยง่ายท่นนี้ทั้งในตองเกลนของพระปูติสัตกับตองเกลียนของพระ เ, เทวทัศ์มาด้ยวยกันขับไปมาถึงทายป่าพอมาถึงทายป่าแล้วทุกคนต้องมันทุกน้ํามาเอหาหรับเป็นอ่าดื่มกินเพราะรู้ว่าในป่าเนี่ยจะแสวงหาน้ําน่ะไม่ได้ เป็นป่าสูงใหญ่ทีเดียวเมื่อมาถึงชายป่าแล้วก็ปรากฏว่าเจอคนหมู่หนึ่งเดินทางออกมาจากป่าผมเปียกตัวเปียกถือดอกบัวมาคนละคนละกรรมคนละกรรมเดินมาบรรดาผู้คนในกองทีนทั้งสองก็เข้าเข้าไปต่าถามว่าเออท่านคุเจริญที่ท่านตัวเปียกผมเปียกถือดอกบัวเนี่ยออกมาได้ไหนกันคนหมู่นี้ก็บอกว่าอ๋อเรามีบ้านพักอยู่ในใจกลางป่านี่เองแหละโอ้ที่นั่นมีสะมระบัวครันนีดอกมัวนี่ก็มาจากเมาจากป่าบัวครันนี ไม่ป่านั่นบรรดาผู้คนในการเดนยทสองก็เข้าไปถ า, ามว่าเออันนที่ท่านตัวตผมเปี้ยถือดอกไมเนี่ยทํามาไต่ไหนกันคนูนี่ก็บกว่าออเรามีบ้านอยู่ในใจกลางฝันนี่เองแหละโอ้ที่ไหนี่ดอกไ้คารีดอกนี้นี่ก็มาจากเบกจักรดอกไม้คารีไม่ป่านั่นตัวเราก็อาบ น, าน้ำ ท, ทุ่มแค่เมื่อซีนี้ยเหยมันจะร้ายมันจะเล มันทุกน้ำไปในป chalk, ่าทำไมในป่าสาะบคนนี้ออกไหญโตควรจะไปทุงข้าไปลงหม่างแล้วก็เท่าน้ำที่ใส่เทีดีกว่าเอาเกียนทุกถึงข <wh> ้าไปดีกว่าผู้รักก็จากไปถ้านภูมิทัศน์เวลานั้นเป็นนายกองเพียรก็มุ่งการให้บรรดาลูกเรียนทุกตัวเพราะว่าลอยลอยเือขายที่ใหน้าทิ้งไปหมดเราต้องการแล้วเราจะมาลูมันทุกน้าในสมายนี้เมื่อในป่า ก, ก็เห็นอยู่คาปาดูที่จะดอกเมียก็เป็นคนถือมาโอ้เปียกผมเปียกเรเห็นอยู่คาปาไปเอาหน้าในตาเลยนนี่ยไอ้ที่มีแล้วมันยุกที่คาตาให้เต็มอันนี้พันดาลูปเรียนของพัพโกศิสัต<ม>ในกองเห็นรูกเรียนเขาถ้าเคยักท อ, อย่างนั้นก็จะทำาพปพระโกศิสัตก็ห้าว่าอย่าเลววรจะโดทั้งหลายเ อ, อ๋อย่าเลว อ, อย่าทอย่างนั้นเลยอยา่าไปหมากเลยพวกเขาก็ตอบว่าก็บอกว่าก็เห็นดีนี่ว่ามือเขาที่มาจากป่านะ่ะตัวเปียกผมเปียกถือดอกเมีมา ข้าพุทธาวกบอกว่าคันสุจริงถ้าท่านเชื่อนะคำพูดของหลวงพ่อเหล่านั้นแล้วท่านจะลำบากนะเพราะว่าท่านเชื่อหรือวะจะมีฝนตกในป่าธรรมดาบ่อหน้าในป่าก็อาายฝนยิ่ง่ตายถ้าหากวมีฝนในระยะทางให้เราเดินมาอย่างนี้ก็มีขยะกระโยนทาได้ยินเสียงาคำรามหรือเปล่าระยะทางที่เราเดินมาเนี่ยมันน่าดูเรียนมาข้าพุทธิสาวกนี่คิดตอบบอกไมด้ยินเลยไม่ได้ยินเสีงฟ้าคำรามต่อเลย หรือแสงแปลกแปลกอะไรไม่ได้ยินโนดเลยเมื่อไม่ได้ยินแล้วมันหลายหยาบขึ้นมาตรงขนน้ำไปเขา่าถึงเราสามารถขนได้ไปเถะเนื่องจากจเรียนของพระโกศิษฐเ่ต้องขนน้ำหนักมากมันพุกเกือกทิ้งกันหลายคนก็ไปชาขัา้นเรียนองพระันเนี่ยนเรียนเบา้องทุกแต่ชิน้นทาเบาๆจะต้องบรรทุกน้ำในของหนักก็ไปลึกหน้าไปกลกว่าพอไปแล้วก็กลายเป็นพักทหารันปัญญรตุ คนที่จอตัวเป็นผงเปียกคือแบบนนะเขารกักมีจอมตัวจรมตัวมาพเพียนัวเงไปปลอดภยถึงตายจริงหรือแต่พวกโคงกระดูกขาวโผล่ในกาทีนี้ถือข่าเขาแล้วเอาเวรินเราหนีปลอดภัยเพราะเราไม่ถือเอาเพียงแต่ได้ยินเพียงแต่ข้าเมเท่าที่เห็นมาเป็นประมาณเราจึงสามารถนำโมกข์ของเราไปวางในาสาธุทาแนี้เป็นการยำเหยียดสาหรับพุทสมาธินั่น หลักเขาเปราปัจจัยอาศัยผู้อื่นมาเป็นปัจจัยน่ะไม่ใช่เป็นของเพี่ยงแท้ไปแล้วเพราะอาศัยผู้อื่นเป็นปัจจัยหนาอาจจะปมเราโกงกักะอย่างยินยักยินต้อ้าหลัานคบให้เราหลงเชื่อเห็นเป็นถือดอกมัวเหมนเป็นผมเปียกตัวเปียกอย่างนี้เป็นป้าปัจจัยทงนั้นถ้าเราเชื่อเขาเ่าเลยรับเสียนีรัาเป็นพักษาเขาปูกยักษในป่าแต่ถ้าผูที่สัจน์ต้องถือเอาหลักของอุตสหนิพนธ์ธรรมะม่ดเห็นเองน้องเห็นเองเชื่อเองเเอง เป็นการประจักรด้วยตัวเองจึงไม่ยอมที่จะเชื่อหลงเชื่อพวกยักแปลงเหล่านี้ว่าจะมีหน้าหรือปากโมฆรมีในตาใหญ่เลยในที่สุก็ช่วยบริษัทลูกโตก้ทนชิดได้เรื่องนี้แหละครับเป็นการกรดานแข่งวันหลังศาสนานั้นถ้าเกิดในแน่ของการศึกษาวิธีการหาเหตดผลนี่น่ะเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งแม้ในผู้เกี่ับศาสาเองเขาก็ติดใจก่อนหลักหลักกรรมสีอาหลัการหาเหตุผล เ, เนี่ยหลักร ก, กรกมกรกมสีอา วิธีอนนี้เนี่ยผู้พิจาาสอนได้หมดสอนได้หมดที่เดียเช่นหลักพยากณ์สีหลักพยากรสี่วิธีโต้ออตอบอภิปรายซึ่งเราเรียนในภาษาปัจจุบันว่าไรอารักตกวิธีการอภิปรายด้วยไรอารักติกนั่ะแลอวรักติกคือเู้รที่ว่ามันฆ่าวิธีแต่ไปเรื่องๆไปยัออกี่รู้จักมานานแล้วสันตธเกิดในสมัยที่อินเดียอยู่ในยุคท อ, องของกัยาเมตีนะพิพากาทกิพาทกเนี่ย กอพวกี้ยิทอาชนีนเป็นประจาเียว ท, ท้ายตาตวโตวาจีตามท า, ทางคำระบทราชานุญาตย่อยเลี้ยทายทายเขาให้คุณมโตวาจีกันแล้วก็บังแท้ก็เอาขิา ว, ว่ า, นา ใ, ในป่าในกองตายแล้วก็าคนถอนใครถอนก็ไม่ฟ้องอกว่าถ้าหนึ่งวะเขาเองก็ตัง้งขึนมาได้มินถามสาาก้าอย่างนั้นคุณนาานทนใจ ท, ทิ่งนี้เป็นกนเอาขิงว่าอป่าในกองตายถ้าใหบรรดาพวกนักปาอินเดียเนี่ยมาโตวาจีกันน้า ในที <Cornell. S 2> ่สุดเขาปล่อยบุตรได้เด็กเรื่องกอเถอนเนี่ยนางจิเกศศรีรู้ว่านน้อนน้ำเด็กกาครบางอาจะอนศีรษะศีวะให้กูผู้สาว้อวันและวเไม่าความเาอื่นแงอาจจะมืนใครมาอาจะมาอนีวะเลยเพราะใครก็รู้ว่ากูนี่ดูไทรนะเป็นนางจนทเกศศรีศึกษาอาวาพระต่างๆในอินเดียศีรษะวะพระฟาตวาเอรู้ดบดเด็กๆที่รู้กองก็บอกไม่ใช่ใครละ ข้าาลุบุตรนะให้หมูถอนเองบอว่าเบลข้าพายุบุตรเบน่าไ้อยู่ที่ไหนเด็กก็ว่าอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่นาลาว่าอย่างนั้นนางคุณภูเวศวิวิ่งใจ่ไปหลังาพบุตรทีเดียขอใหเยในที่สุดแทนข้าาบุตรพาบุตรท่านเรียนมาจบแล้วอาจารย์ประมาณขาศิลปนางคุณภูเวศวสีดจะสามาเหลับไปยึเป็นอาชีพในตวาีเพวกปริฆราพบทธนะครัพระาจายลนะครับนั่งนักงอธิบายเอาไว้หลับเหตุผลกี่ยู่บ่อนเขามาหนาตามต่าง ้อดดูมัดตัวก็ชนะได้เกียดเกียดเป็นยุแล้วก็เป็นมันได้ทองาปะจ่าเข้ามาให้ตัวชาวบ้านไม่มาให้ถ้าโตอยู่มันางกิตานีกิตาคุณพลทหารทุกคนหนึ่งคอตุ้งในจีเตยที่มาิตกบุกมาจิตะบุกแตก็อ้าโตด่าชนะเอาหมึงแล้วมาเป็นมึงมึงทีเดียวมาอยู่เี้องสาวีเท่าก็อุปสรการขึ้นมายกใหญ่เจี่คุณยุ่ในเมืองสาวดีบอกว่าอย่าว่าแต่เขามีชีวิตเลยนะ แม้แต่เาวนทาที่มีผู้สังเกตการก็ตามนะาวที่มีชีวิตประจำตวเราเาก็อยู่มาสันคลื่นไปทีเดียมาเป็นตบรเนี่ยแม้เราอยากเกินใอ้ใครของสมุนไพรดมน่ะเก่งนะสามารถหักล้างมาซะเวาสมุนไรามเหลาระบายทางว่ามายกตนสามารถวกไปข่มกับเขาสมุนไพรมได้ตอนถูสมุนไพรูดมป้องในรูปติดหมดแม้เรามีภาวะยานักเดียว อยากจะให้มีโองาสพกคณะครมการโคจรด้ตัวเองเราจะถุกข้าถ้าคณะรมนะรโคดมเมือนหนึ่งเด็กๆสู้ถุกข้าโปราจากหนึ่งเอาเื่ือร่างทูแล้วก็ลากาตามพื้นดินให้คนดูนือี่เท่านั้นตกประมาณหนึ่งข้างสาับมานแล้วลูปาดลงไปเป็นจับอยู่ในกลางแปลงในกลางินงบ่แล้วก็เอางูนี่จับต้บนบ้านอ่าตานบุญผลิตบ้านฟาดาดฟาเฮ้ยเป็นจุ่มในจุ่มในขะครูอย่างนี้เจ้าลิขีทั้งปูนฟังก็ลำคาญนวน เดี๋ยวเงอเอาเธอท่านอยากกระบวนกวายจะเหี้ยกนกรห้อหรืออยากจะพบระสมณะโคดมได้แต่เขเวลานี้เขาองยังไม่อยู่นะแต่ว่าสมัยนี้เขาอยูย่กาลิสมาที่อีสานีแล้วก็เราจะบอกข่าวกับท่านแล้วก็ไม่ไปพบกันนะ อาปาติกระบุว่าทางที่ดีแล้วหรอกที่จะให้ฉันเพมณะโคดมในตําหน่น่ะันไม่ไปหรอกพาะนถือก็มีมงนเมกันทางที่ดีแล้วนับครับกันระหว่างขึ้นทางพราะโคดมมาขึ้นขึ้นทางเราจะไม่ขึ้นทางแล้วไปยืนประจำกลางถนนกลางเมืองเวสาหรืว่าโตวาไว่าอย่างนั้นพอถึงเวลาเอาจริงเขาพูดเจ้าเด็กมาเมืองเวสาลยับมาพักทีป่ามหาวันพเจาได้ก็มีหุ่หนุ่มทั้งหลายที่มันใล้ปาติกระบน่ะ มากันมาหาเดี๋ยวนี้มาติดกระบุนข้าพเจ้ามาดูมาแล้วนะเชิญสิเชิต่างคนต่างไปพบกันสุ่ทางมาติดกระบุนร่าไปไปเราจะไปลุกลุกขึ้นอย่ที่นั่นก่อนลุกจะใหม่ใหม่เอวาระที่สองวาระที่สาก็พูดเราไปไเราจะไ ป, ไปแล้วก็ลุกขึาก้านั่งใหม่เข้าจาริกจุยก็เลยพูดกันแน่กันแหนพูดกันแน่กันแนยงงัวกระทบกขา้ขาบอกว่าเออมาติกระบุน เมื่อเวลาต่อหน้านี้นท่านมีกําลังตายกายําเดินเหินกับกระปรีก้กระเป๋านะวันนี้ท่านมาเป็นอะไรหนอพอได้ข่าวเราส่งเข่าวว่าสมณะโคดึงจะมาตามที่พัน้าถ่ายไว้ท่านก็มาพูดว่าไปไปเราจะไปก้อทุ่มท่านเป็นจะาตักะกะกะอี้เจ้าอีเราก็เป็จ้นทุ่มท่านแยกกันไม่ออกท่านเป็นอะไรไปน้องความติดกระบุหรือจะลอยเราฉุดข้าไปกําลังล่าท่านไปดีในที่สุดเจา้าลิสวีก็อดลุนทนไม่ไหวกอดลากปาติดกรบุออกจากตัวอี้ หลากฆ่าเอาตัวไปจะไปฆ่าพระพุทธเจ้าเป็นลมเลยตอนนี้เนี่ยมีถึงที่สันตีภาพเลยความตกใจตัวอันนี้ก็ก็ได้เห็นว่าหลักลู่ลอยิกหลักลู่ลอยิกเนี่ยถ้ามาเจอผู้ที่ถึงถึงความสัจจะแล้วผู้ที่ได้ยาถาพุทธญาณลักษณะแล้วก็พ่ายแพ้ ก, พก็พวกพวกนักลอยิกทั้งหลายนะ่ะมกักจะเป็นผู้ที่ไปจับความจริงแต่อาศัยหลักการอนุมานอนุมานเหตุเทียบเหตุผลเทียบผลแล้วก็ามาสรุปความ เหตุเทียบเหตุผลเทียบผลนั่นสรุปความเหตุหลักอนุมานเขอลอยหยุดอย่างเช่นวิธีนี้เพราว่าเห็นฝักเห็นควันไฟแต่ไกลที่ใดมีควันที่นั้นมีไฟใช่ไหมไม่จําเป็นเราต้องมาเห็นคาตาว่าที่นั้นจะต้องมีกองเพลิงแล้วก็เราเป็นนักลอยหยุดนี่เราก็บอกว่าที่ใดมีควันที่นั้นมีไฟไม่ต้องมาเห็นไฟเราเห็นแต่ควันก็รู้ที่นั่นมีไฟสมัยก่อนอาจจะจริงแต่สมัยนี้ไม่จริงแล้วเพามันถ้าไม่จริงดีดมันก็มีควันไม่มีไฟก็หลายแล้ว ลองสิเอาด d ดีคีสเข้าสิควันคมไปหมดเลยแล้วก็เราจะเปนนกเลาะาเป็นักเีกเรดูแต่กายบอกที่ใดมีควันนั้นมีไฟก็เชงเลยงลายเลยท่ามพี่ไม่มีไฟไม่ไหลเมื่อที่ดีดีคีล่ะเขาเลยปิดปุ่มควันเป็นหมอกขึ้นมาออนี่แหละซึ่เียว่าหลับมาระหัใจเลยอ่ะถ้าดูจะไม่เปฐานแล้วไม่ใช่หรอกเขาอันอันตีมาแต่อสายเป็นเครื่องมือทารสื่อสารได้มาแต่ปฏิเสธหรอกสายเป็นเครื่องมือในการสื่ษาพานยได้ แต่เพราะว่าถ้าจะเอากันข้าจริง ข, งงขงั้นถึงหลักปรักญาแล้วกอนัระิดใจใครไม่ได้เพราะเหตุนั้นหลักพุทธ า, าสนาจึงถือยาตระพัฒนาอันสำคัญมีฝาครบเรื่องของจิตากหรดีเป็นตัวอย่างจิตากหรดีเนี่ยใครเขาก็รู้ปาานะเป็นอาณามีบุคคลนะเป็นคหักอุบาสกอาณาธมีบุคคลเป็นอุบาสกเป็นธ ร, ร, ร า, ากัะถึกด้วยเจอพระเจอเจ้าที่ไหนท่านาก็ปาญหาธรรทั้งสูงกุะพระ แต่ทัานภาคมังโ อ, อนกูน่ะเห็ิจสัตว์ข้งหนาคนนีเดินมาเรียเ่ยงก็มีก่อปะเดี๋ยวเกิดมลบรรหาปรมัตุจะสอบไม่ได้ไใช่ไหมเาะเรี่ยงเน่ยอ้าที่ชอบคุยกาท่านกิจ ส, สัว์าาีมากือภาคตามาปูภาตามาปูเดี๋ยวว่าคุาาายู้กันคยู้กันแหมถามบรหาแต่ละขั้นแต่ละขังจะั้งบรหาอนตรมากงบบญาโทิตนี้รวเนีสอบก็ต่างอนุโมทนาาร ก, กันอะไ ร, ร, รกันถ้าตามาปูนี่แหละเรียกว่าเป็นอาคู่หลักจะขกิจสัตว์ข้น วันหนึ่งมุตตะนาคตีไปเรียกต้องนัดมีโคนาตะบุตมีโคนาตะบุตเนี่ยากพระดาปากกะหน่ำที่หน้าไปเรียกมีโคนาบุตเขามีคนสตบุตกำลังอยู่ในข้ามกลางบริษัทตั้งถ่ายนี่มีโคนาตะบุตก็อยากจะแสดงคืนตัววาพระของโคนาะบุตถือว่าทนสมาบัติที่รวิสุทิจารได้เลยในนี้ทานสมาบัติเนี่ยระลักวิสุวธิจารได้เลยอย่างนั้น อ่านี่คนนักขบวชตอดสายสายตามองบริษัทและหันมามองหน้าพิษธนาพอดีเราก็ดูกรท่านพอดีท่านน่ะโคดมศากดาของท่านสอนอย่างไรว่ามีนิจมิจาร์หรืองั้นไปด้วยทางสมาบัตรมีอยู่ไหมพิษธนาพอดีเขาบอกว่ามีอยู่ถ้าพูดในข้อของเราอ่อนี่คนนักขบวชถามต่อไปอ่าขึ้นเชื่อภิษรนาโคดมในข้อนี้ไห ว่าทาท น, นพิธาต์ที่จกวิจารได้น่ะมีอยู่พตมั น, นมดีก็ตอบว่าเราไม่เชื่อถ้าผู้ทกในขอนี้เลยตายจริงเลว่าพิ่ารบอกเองมันไม่เชื่อ้พไจ้ไนขอน้อนี้นี่คนนาตบหัแกะหัเลาตาขอบใมองหน้าไทัทาเป็นญาานะมังหน้าวันนี้ออกจากปากของตอมสาวสมณะโคดมเองบอกว่าไม่เชื่อาปากนางงว่ามีทานสมาบาททัติทล้วไปตกวิจารได้บอกกับพี่ปะชุม มีค่ามีแรงจะเข้าใจผิดแรงที่ประชุมไม่เข้าใจผิดที่ทย้อนถามบกว่าอยู่ก่อนที่คนวราจะย้อนหามขา้นในข้ อ, อนี้นะว่าปฐาทยานนะอันไหนทั้งทั้งคันกันปภาทยานความเชื่ออย่างหนึ่งกับยปปาขัตตนะอย่างหนึ่งของอันนี้นะ่ะอย่างไม่เคยเจอกันนี่คนมาสมุดคุณบอกว่ายาขัตตนาเฮ้ยไม่เคยกว่าเพราะยาขัตตนาเป็นเรื่องที่รู้หนเป็นจริงเลยขอตัวเอง ว่าเชื่อบังเชืออะไเือเาเราบังเชื่อคูบานอาจารย์บงเชื่อเหตุผลบงยังต้อถึงสั้ะอานี้ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นแลทาก็้ดิผมบอท่าเจ้านั่นะสามารถเข้าปุมทานได้ผู้ติยาทานได้จตุยาทานได้แล้วก็ข่าอาาสามัใจจะตาทานอืมก็ได้วิญานั้นใจจะตาทนก็ดินทาจะตานก็นวรตัญญาัตจะตาทานก็ัานัตจะต้อกก็ได้ เมื่อข้าเจ้าข้าทานยังินดับไปอนุกุศํมหาอันางนี้เดือดถงตัวเองแล้วทำไมข้าพเจจงเปต้องไปเชื่อพระผู้มีพภาคก่อเหตุผลกีดคนว่าทานตมาบาบที่ระนาบพิศจาาได้นี้อยู่ก็เขาเข้าเข้าเข่าเข้าได้เองแล้วนี่นะนี่แหละจ่าผลด้ว่ายาหน้าข้าพเจาเนี่ยสำคัญกว่าศรัทธาเพราะฉะนั้นในกาาบปู่ที่าราหลายชาันแล้วว่าเมื่อข้าพเจ้าอให้ว่าอย่าไปเชื่อครูบาอาารย์อย่าไปเชื่อําหักตาให้เชื่อโดยหลักเหตุผล ถ้านั้นเราก็คือคือที่พะเจ้าห้าเลยน่ถูกแล้วในธรรมะขั้นหน่งพระมั้ทุกคนต้องเชื่อตัวเองเชื่อตัวเองหมดแต่การเชื่อตัวเองยัไม่ได้หมายความว่าเอดทิ้งขัทธธรรมสงไมายความว่าถ้าเมื่อใดเรายังไม่ได้ปฏิบัติทำขั้นหน่งสงเราก็อาศัยธรรมะเป็นสะานเป็นท่เป็นที่ยึดเหนี่ยวธรรมะที่ปฏัตโรเนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวแต่พอถึงขั้น อันนีมาธรมะหนึแล้วเรืเหมือนหนึ่งถึงฝั่งแล้วเราก็ไปแบกแท้นั่งอ่ไปแล้วก็สลับคพข้อเรือที่เสียแล้วก็เดินตัวเปล่าขึ้นฝั่งไปสบายไม่มีใครโง่ที่จะคอยช่ยแบกคพ้แบกเรือขึ้นฝั่งด้วยเพราะเหตุนั้นในอารักขาบรปูดในบาหลีมาถึงมันอีกายพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามีสองที่ฉลองทงหลายที่เราสองเกพะกเกอนี่นะประมาณนั้นหนึ่งขั้แพนะแม้แต่ทำ เรายังสอนให้ทวกคนณอ่ะเพื่อขอนเสียจับดมยกาวไปใหญ่จับอักทำเล่จักดวยยาก็ยใหญ่จรบอักทาเลถไปยิงก็นาทำแล่ไปยิงก็น่าใหญ่แม่แต่ทำไม่สอนห็ละเลยเมื่ถึงที่สุดถึงถึงฝังเนก้มารักคเชื่ังตั้งนั้่าต้องะละทำมากเกินกว่าใครที่เป็นผู้แทนข้าโอคั่งนี่ถึงถึงฝั่งเขาอก่าไม่แบกต่อไปถ้ายังแบกก็เป็นคำมุปาทาน บาร์ันใหนทำเป็นคําปาระตานอวอนเครื่องจีดขวางอาระยมัคอริยผลน่มีสองคำทหนึ่งเีกว่าทาีเลสาวรที่ทั้หน <hj one> <ular> ึ่งเียว่าเยียรวรของคำเดียกันนะทีเลสาวรยาบเยียรวรนะละเอียดเยียรวร์คืออะไรยียรวร์คือว่าเครื่องจีดขวางมันเกิดจากความรู้ของเราความรู้เ่านี่มันจีดขวางเรามันบังเรา ไม่ให้เขาอธพฐานได้น er ี then, to ่ว่าเยียวยาวอนที่เละละได้หมดชวนแกละแต่มาติดในเยียวยาติดนควารู้คิดว่าโตป้าทําไม่อานวางปล่อยวางหมดละทำหน้าก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยแต่จไปฉวยอธิฐานีตขึ้นป้าท่านมีกิานอีกากรที่เขาไปโตขอุป้าท่านอีกอธิานนะ่นเรียกว่าเยียยาวอนเยียยาวอนอนนเป็นยียยาวอนไม่ใช่ที่ในสาวอนแล้วไม่ใช่แล้ว สมเขากเป็นเออยียวยาบาดข้ารู้กบไป้คัเพราะเหตุนั้นพระพูดมีพระภาพจึงตรัสในมูรปาลิยาญาตุในบาลีมาถึงม่นอีกายวาดูตอนที่ถูกทลายถ้าตราบได้พวกเธอยังมีความสุขคันวาคุณคันวามีพานธาด้วยความเป็นมิพานมิพานธาดิวาบราบนั้นพวกเธอยังไม่ถึงที่ถกพุทโอยู่ตราบนะั้นขจารู้กับไปสอคันไอ้มั่นมายไอ้ถือเอาในมีพานธ า, าด้วยความเป็นมิภานธ า, าดิวตราบได้แล้ว ราบนั้นก็ยังไม่ถึงที่สุดของทุกคือยังไม่ยังไม่ถึงนิพานแท้เพราะไปสำคัญเสียไปมั่นหมายเสียไปรูปธรรมเสียในตัวนิพานเองเป็นเยียยาวอนเป็นเยยาวอนอันนี้ในมารีมูระปาริยสูตรมนแสดงไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นในมูลฐานการศึกษาไม่ด้านปริยติแค่ปริยติศึกษาหรือในขั้มที่เดียกว่าตรงตุตตะมยะปัญญาจินตาะมายะปัญญา แม้กระทั่งชานะมายาปัญญาเถอะเรายังต้องอาศัยธร ม, มะของพระศาสดาเป็นที่เกาะเกียวถ้าไม่เกาะเยวธรมะแล้วจะยิ่งตลิดเปิดเปิดไม่มีโอกาสพ้นทุกข์เลยกายเป็นมิที่ผเรอยู่เดียวใ่อุเชนั้นก็ผิดเอย่ย ว, ยวต้องอาศัยไปก่อนไม่ว่าเราจะไปจับเอาผลแล้วมาลบล้างเหตุทุกวันนี้นะ่ะมีคนส่วนหนึ่งชอบพูดพัลนาผลทุกเหตุคือพัลนาคุณในข้าวว่ามูกพนน่ะมีเ ง, ง, ง, งินดีเ ง, งี้ ประเจ อ, อย่างนั้ น, น, อ, นยอย่างนั้นความพทุกข์อย่างพิเศษอย่างนั้นอย่างนั้นเอาง่นนายอย่างนี้แต า, าตง่ายคุณในข้าอย่างนี้แล้วก็ทอดทิ้งเถอะแล้วคนฟก็จะเข้าใจผิีกว่าเอาไปจทอะไรแล้วเรไม่ต้างไปนั่งจะลงสินมาธิทันย า, าละวตาห์มานึงแต่ว่าตัวเราที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรทั้นทงนี้เขเป็นมีพานแล้วถ้าอย่างนั้นเราหลมผิดรลยจะมีาขาที่ผิดไปกันใหญ่เลยิลใช่ไดาใช่ไมด้อย่างนี้หรือบางคนนข่าวจิดว่า ก็เมื watering, ่อผู an ้องค์พิเสษในการมาถู่ก็มาตรแต่ยถึงในคุณอาศัยการหลักขในห้าเหตุผลใหญ่ส่่งๆก็เลยทอดทิ้งอยากการศึกษาปลุปริญาเิหมดว่าการศึกษาปลปริญติหารศึกษาแม่ในบ้านี่เนี่ยเป็นการวนเวียนในหลักฐานให้ไม่ได้โดยทอดทิ้งอย่างนี้ก็เป็นขาที่ผิดรอบต่อนกัน่าต้องถามตัวเองว่าเวลานี้เราอยู่ในภูมิท่านอะไรภูมเฉียขันยากว่าไม่ว่าง ถ้าคอะไรียอะแล้เขามาผูกกันล้วจะละเ่อขอนละคำพูดปาพานยิ่งเลยต้องพ่วมตัวมีเรืองสาวยััไม่ได้ก็เตับเยาวได้ปยังไงที่เรื่องสาววต้องทำายเสียก่อนแล้วเยียยาวอนถึงทำลายได้การที่ทำลายเพียาววอนได้ก็ต้องอาศัยการศึกษาอาศัยหลักเหตุผลลอจิกในหลักคุตตาศาสนาการศึกษาพระธรรมอุสภาวะอะไรเป็นอะไรเป็นขัอะไรเป็นภาพอะไรเป็นอันตนะอานุสภาวะธรรมมของแท้จะได้รู้ว่านาพาเป็นมาอย่างไรมันจะไม่ิชาที่คิดยังไง ทำไม่ใช่แล้วก็มีแต่จ้าหนีาพิจิตรมความหลงผิดเพเหตุนันนะ้ผมพูดส ม, มว่าผู้ที่ได้โอตสาสุตาพระอริยธรรมตัต้งใจตนคุณตายโดยมีความเข้าใจของแท้แล้วคุณคนนั้นไม่ใช่หาพิจิกัเล่าได้โลกียะมาพิจิตรคุณพระอริยธรรมนะได้โลกียะสัมมาพิจิตรได้แล้วธรรมะกตายัน ม, มั่นคงมันคงทีเดียวไม่มีใครับพิ้งหีาพิจิเหล่าอื่นเลย ยากที่จะมาจากจับพิทีสุกคนนั้นได้แต่ถ้าว่าไม่มีโอกา ส, าสาาึกษาหะธรรมโดยถ่งแท้เนียงแต่ว่าฟางธรรมะท่านพื้นฐานธรรมด า, บ า, าบางขา้ายังคาวราอาจจะถูกพวกมุจขา่ิถิที่เช่ากลมเมกดจำพิกแพงให้สิ่งบางอย่างทับจูใหมหลงผิดได้หรือแม้กระทั่งไปจับธรรมะของพระพุธองค์บางข้อบางประการแล้วก็ไม่หลงผิดดีกวาบุญกรไม่ต้องําละเลิกกันพทำาแล้วก็เป็นเรื่อง่วงเรื่องหนกเรื่องวัฏจักรมีก็ต้องทแล้ว ทุกสทุกอย่างล้อแต่ว่ายุงเชือที่กำาว่าตัวตนในแท้จริงเป็นอย่างไรแค่นี้ก็รู้ทันแล้วเท่านี้ก็เขารูเขาบกงแล้วอันตารายเพราะฉะนั้นในด้านี้การควบคุมติดป่าด้านขั้นพนขขนื้นานนี่หลัาากลอจิยังพิจารณายอยู่เรายังต้องอาศาอปอยู่พวกเราเป็บุคคลหลาหลยเนี่ยไปไม่อเราเป็นอะไต้มาบงบุคคลขึ้นไปแล้วไม่ต้องาปักอีกแล้วไม่ต้องแล้วเราเชื่อตัวเองเราดสิ าเห็นิพพานแล้วทำในตัวเองแล้วไม่ต้องเชื่อแม้ะทำพระธมธรมเสามันจะเชื่อเจ้าบอกว่านิพพานมีแล้วแล้วก็เชื่อว่ามีไม่ใช่ที่เราเชื่อว่านิพพานเพราะว่ามเองมันจะเชื่อเพราะคุเจ้าบอกว่ามีเชื่อแตาเพระอไม่ใช่้าโดานนะถ้าโกดานเรียนคุณเจ้าบอกว่านิพพานมีแล้วเชื่อตามพราะโอไม่ใช่ข้าโกดานนะเห็นนิพพานในตัวเองแล้วเชื่อตัวเองว่านิพพานมีจริงยิวีควมเือดร้อนไม่จ้ายเป็นภูมูดเล ข้าทาเขาบอกโดาบางทีมีต่อกจริงจริงยากต้าเหตุนี้คือว่าไม่จริงล้วต่ไี่เค้าบอกว่าโตบอกว่ามีฟังมีฉันก็เห็นว่ามีจริงๆแล้วก็เชื่อคนี่บอกความิ่งขึ้นใช่หมล่ะว่าเขาไม่ได้มา โ, โกงเาเขาบอกว่ามีแล้วเห็นมีจริงนี่พรั้นาขาทาาบอ่า ม, มีมีตางเรือแหละกทั้งุดสองทั้งสุสององทั้ ง, อ ง, อ ง, ง, อ ง, องีงอย่างนั้นท่านใ้ว่า เม็ Welt, ia, ิาณอิดในพระอาลัยเป็นโยธาในอาลัยนะเม่มาถงมาคู่กับโยธาโลธาหนม่เดียวดีดออนัวากมาแต่พื่อนแค่ลโมวะเพราะะนั้นโลนั้นไม่คืออาวิชาโลกนั้นออาวิชาในขณะขณะนั้นนะเป็อาวิชาโลกนั้นคือต่างหากในขณะนั้นคือ่างหากนขะนั้น จิตใดวงที่เสื่อมโยงโลภะมูลจิตยมัเที่ยววิญญาณดในนั้นที่วิญญาณขนจิตโยมันเที่วิญญาณโภะจลั่านที่วิญญาณังขาบาจเ่อิตที่ทั้งสมุทต์กับโลภามูลจิตรงนั้นเสื่อมขัมขนาดน้แล้วแต่น้ำด้วยน้ำก็หนต่เรียกว่าที่ังสมุทกับภมูลจิตรนันเองถึง่แหละเ่อน้ํา นั้นนั้นใจยิอ่กอนขณะดูภาพิตนั้นเกิดขึ้นถูกอ้คุณรหตอนใจเาุนใจในขณะนั้นขณะที่ามจิตใจในขณะนั้นที่ัวอะไรตอนนี้พได้ใจขับในขณะนั้นเหมือนกันเพราะในขณะที่ทธมง โลษนาก็เหมือนกันได้แต่ความโฆษณาความออกใจที่จะสบายโฆษณาในขณะดนั้นแล้วต่อปัญหาตัวโลภนี่ที่เด็กล่ามาแล้วต่อทานคือความยึดถือในอารมณ์ในขณาดนั้นอารมณ์ที้เป็นนิจต่างกัมโลกในขนานั้นเพราะว่าต่อใจต่อการตกอบการทุนวัตถุกรรมบ้างตายกรรมบ้างอาจารย์เขา็นลัทนตว่าเป็นัอันนั้ลก ยื่มือรันี้ขณันอีกเนัณอาารี่รนั้นแปลไปที่อัรากะเริ่มแปลไปที่ชื่อชื่อวราเมามะคือขัะที่รจากไปที่บอนนะป็นนปฏิสบางได้อารมณ์เดียวอารมณ์เดียวพราะที่ะโ้ลอภิมาตยามาักอ์ของขานตระนันแต่เมาก่าาอย่างนี้แปลว่าอาจารย์แห่งิกายเสาแจที่ก มันระเบิ谢谢่ได้เพว่า้าหาว่าปฏิจจุณบาปทีสองดวงจะพนไปในวงกวงเดียวแล้วมก็มาอูด้วยกันนี้าดเ่สมทฺันีเก็สอันเี้ลเเอาอกันนี้เป็นัอันนี้เป็นจุรรมอันนี้เป็นปฏิจจมุาเรามราว่านนอย่างนจะมีองขน ขนาดมันวิันเหตุขนาดมันวิบันวเมื่อกลาว่าท่านเปอง์ตนอยู่รวมจับกุมมือและขนาดเดียวอะไรเป็นเหอะไรเป็นผลแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นการที่ก <est>. ล่าวว่าปิดจัตุมาดึงเต็มไปได้ในอารมณ์เลยขณะดจับกิมเรียนแล้วนี่การสองการปิกล่าวไม่เห็นด้วยครับทานือไม่คล้ายๆเลยถ้าต้อรู้แล้วพ้ิดจัตุมาดท่ากสะบานว่ายังมีทุตาิกล่าว ดูความพิสทั้งหลายดยการดกเธอได้เหปจจมบาด้วยปัญญาาเป็นี่เหโยรรังปิโังตงคมังในนีุ้ปนหนึ่งท่หมายอหนึ่งทหมายปจสุปาทปิจจบาว่าเหมือนทำเหมก็ขี้ว่าไม่ปฏจจสมุบาทธรรมเหนอยวกันเห็นนียวกันเป็่าน แล้วก็กาวไว่าปฏิจจัมุปาทีนี่แหละเป็นนักธิมะกปฏิปทาที่เขากฏิจจสมุาที่เป็นักธิมัปฏิปทาคือเป็นอย่างไรคว่าเขาปฏิจจห้ามเสียดิปฏิปปาทิ้าเม่ออกาดาห้ามเสียดิ้ก็เชืปฏิปถาปิจจจะวาเกิดขึ้นอ๋อวาที่จับใจวามที่ทำให้ตกใจประทุมการเที่ยวปฏิจจนะ มันมีปัจจัยควบคุมการที่เราปฏิจจ์ิ่งดับที่าไหร่ปกติปกิผิดเพราะปกพิผิดน่ะโดนปกติผิดที่เรียกว่าเปี่ยนน่ะเพราะมองไม่เห็นปัใจที่เราดูงแต่ในภาวะนั้นยิงรู้สึกเอาว่าภาวะเปลี่ยนแต่ว่าเราเห็นว่าภาวะนี้มันก็เกิดจากปัจจัยไอ้ความรู้สึกก็เปี่ยนในภาวะนั้นก็ไม่มีจริได้ตืจากัจจจงแม่กาไม่มีสารอะตัวมันเองจริงแล้วมันมีสารอะตัวมันเองจรงล่วก็แปลบ ก็ะฉนั้นคกลาวเรื่องนทั้งสัาห์ทเดียวดับได้ซึ่งสาที่ีแล้วมตานดับต้กที่ีแล้วเะเที่มองแต่ข้างดัไม่เห็นเกิดตาอกว่าันเกิดขึ้วางเกิดขึ้นตูวบ้าเดเกิด่ที่สีแล้วเห็นแต่ข้างเกิดเห็นข้างันะเเกิดสัาที่ีเห็นแต่ห้เกิดทีเดียวให้ข้างดับมองไม่เห็น ยังมันก็มาเที่ยงแล้วก็มาลที่เที่ยอามัเี่ยงชัวร์ตรเทียรอแต่เกิดเคลื่อนไปไหนักรือแต่เกิดตรงแบบนี้ไอ้คนที่เกิดอเที่ผิดนะเฉพาะคนใจดับไม่ได้เกิดหรือมันับด้วยไปไปก็หายไปไปก็หิบก็ว่างไปไปก็หมดอ้าเกิดอที่ิดขึ้นมาขาค้นหรอเห็นแต่ข้างดับไม่เหนข้เกิดเพราะนันอปนะุณข้ามเสียชืออุบที่ผิิจทกาทํา ยิ่งสูงมากชนมากชิ้นมากกีสภาตามในเรื่อน <variables> <IL> <ota> <iser> ี้คือห right ้ามท่างสภาตัดสินเลยคับจะลองทำโดยเป็นข้างกลางว่าถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีถาสิ่งนี้เกิดสิงนี้จึงเกิดร้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถ้ะสิ่งนี้หนักสิงนี้จึงหนักอาการที่แสดอย่างนี้แหละเป็นมากชินมากปฏิปเ่งเลือดจับไปตนี้ตรงกายาดูสอนจับใจมั้งไม่ได้ล้มันจะมาเห็นว่า โลกกับอุโมงคไทยความเกิดความเกิดขึ้นของโลนะียกมีจิตจิตใจอย่างอย่างนี้เปลดับไรเมื่อนั้นยอมละได้เียสิอัคตาวางอยู่ได้แต่สรค์พีเมื่อได้ยอมมามองเห็นว่าทุกสิ่อย่างยอมดับไปแลมีจิตใจเกิดขึ้นก็ยอมดับอุบาสิกาอัคคีตานี้สิ ถึงว่าความมีอยู่ก็เป็นสิ่งสุดข้นหรึงือว่าความไม่มีอยู่ก็เป็นสิ่งสุดขั้นหนึ่งพราะาพทแกบนแสดงความเป็นกลางแสงความเป็นการเป็นเทาไหร่ชาวเออาริชาเป็นคนได้เกิดคำถามหนักหนักอยู่เป็นสายต้นไทรจาวราแล้วพประการตรงข้าวทา่ข้าดับคำถามดับคำถามดับปัญญาหนักอ่เป็นสายอยู่รือนสาระเป็นหนักหนักเมื่อเห็นการป็นจรงอย่างนี้แล้วทิศที่ให้เป็นสิ่งสุดขั้นกอคือ นักากับนักกาของสูนำแยกไม่เกิดนี่เป็นมาจิ้กปิาเพราะ้นไม้จิ้กปิดตาตานมีสองลยแยกไม้แยกหนึ่งนะคือหน้าตัวแปดไม้ตัแายมถึงที้ายเรกจัะทามหรือที่จะต้องเขาปอ้วนักจิปตาตนาติกตูบารนับตูบาค้ายๆนทางที่จะลุยถ้าจิ้งปิตไปที่ตะลุยตัวนักตแปดนัเป็นไม้ิกิาในางับิากัอย่างนี้ตระกับารเต็ ัม่ใช่นักปฏิสภาวิถีตรีควรนักมีองค์แต่องไม่ใช่นักปฏิสภาวิถนบางนี่เราเห็นที่เจ้าหลวงพ่อแตกต่างกันอย่างนี้แล้วเราก็จะมาแตก่างกันผู้ที่หลวงพ่อปติจจสมบัทนั้นชื่อว่าได้ธรรมทิฏยานุเคราะหทิฏมาธรรมทิฏิยานาวาปัาวิชาลายานิยายานิวาลายาน ลว่ารู้ตอนท่สมาธริิยานย่อิดวอนิชาลุภารยานย่อัวตามหลังแสดงไว้ในางรกายธรรมทิฏิยานคือยานที่วางรู้ในปฏิบัติแรยก่าธรรมิฏฐิยานยานวางรู้ในปฏิบัติเรียกว่าธรรมทฏิยาพรความรู้ปิจจิบาติแล้วความรู้ในไตรลักษณ์ภารยานก็แล ไม่เห็นทุกสิ่งว่าอาวุชางไมก้าเป็นัะดับแล้ ว, ลวเรวก็เห็นออลิตอันุชางนี่งเป็นทุกครั้ง